ลงไปมุดอยู่พื้นน้ําแล้วจุดบ้างไฟขึ้นมากะมั่งหะโอ้โหน้ําโขงไม่ใช่น้ําในกระลำมังเมื่อไหร่อันตรายมากใครจะไปกล้าเสี่ยงถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่แนวความคิดอีกเหมือนกันนะั่นแหละแต่ไม่ใช่ทำมันมาทําตั้งแต่พวกเราก่อนพวกเราคิดอีกต่างหากมันก็ของแปลกเหมือนกันนะ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 กับใบไม้ประดูที่มันหล่นในพื้นดินเนี่ยพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าชะไหนว่ากำไม้อยู่ในกามือของเราเนี่ยกับที่มันหล่นอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ดูอยู่แล้วกำไม้อยู่ในกรมือกับที่มันหล่นกำไม้อยู่ในกามือกันหน่อยเดียวที่มันหล่นอยู่นะ่ะเกินไปหมดพระสงฆ์ก็ตอบกลาทูลพระพุทธเจ้าว่วา กไม้ใบไม้ประดู่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองคนะ์มีอยู่หน่อยเดียวมีกามือเดียวแต่ใบไม้ที่บรรนว ล, ล่วงหลดอยู่ในแผ่นดินนี่มากกว่าพระเจ้าข้าพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละชั้นใดภิกษุทั้งหลายที่เราได้ตัดสู้ที่โคลนต้นโพที่ว่าอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเหมือนกับใบไม้เนี่ยมันเกลือดอยู่ในแผ่นดิน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 ลีผู้พี่ก็เลยมารับเอาไปอยู่ด้วยในป่าหิมะผานนะเนี่ยแหละในชาตินั้นเราตถาคตเนี่ยเป็นลือีอยู่ในป่าพระเจ้าแผ่นดินน้องชายของเราคืออานอนนะทันวาเนะนี่ยอานอนนเนี่ยแหละเราบำเพ็ญมาบางพบบางชาติเรากลรกรักน้องของเราเไม่ใช่รักแบบการ ม, มักกิเลสนะ